ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ขอบน้อมต่อหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็โกกาสพวกเราเพื่อนสาธรมิกแล้วก็เจริญพรกับพวกเราญาติโยมทั้งหลายก็เห็นเห็นหน้ากัน ก็เห็นกิริยาอาการมีน้ำมูกไหลบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้อยากให้มันไหลเนาะมันไหลของมันเองเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกพกพัชตนาติดตัวเวลาเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเวลาที่เป็นหวัดแล้วเสียงมักจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะว่าอืม ร่างกายมันก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เสมหะมันหลุดลงไปในหลอดลมมอนก็ต้องมีการปิดหลอดลมบ้างพอปิดหลอดลมบ้างเสียงก็เปลี่ยนไปนะฮะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกนะฮะอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเองเราก็ดูความเป็นไปในร่างกาย แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาถูกต้องทุกเราก็น้อยลงเกี่ยวข้องแลก็ไม่ถูกต้องทุกก็มากขึ้นตรงเนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนาะสําคัญที่สุดก็คือเรื่องตรงนี้แหละเรื่องการดูดูแล้วเรารู้ไหมถ้าเรารู้แลเรารู้เราก็ไม่มีปัญหาอะไร ชีวิตเราก็แบบนี้นะตั้งแต่ตื่นมาลืมตาขึ้นก็ไฟไม่สว่างไม่ทันเห็นอะไรก็ต้องเปิดไฟให้ดูให้เห็นรู้นั่นรู้นี่ทำเรื่องราวต่างๆนานาให้ถูกต้องเดินบินธบาทก็ดูไปตามทางมีขี้หมาไหมมีแก้วหเนาะเห็นเออมีขี้หมามีแก้วเราก็เดินไปก็ไม่เหยียบเขาเราก็ไม่เป็นอะไรก็ปกติเป็นเรื่องแบบนี้ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ฝึกดูหลวงพ่อําเขียนใช่ไหมก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้นะให้เป็นผู้ดูนะอย่าเป็นผู้เป็นเนาะบางทีผู้ดูกับผู้เป็นก็มันเ็าะปนกันไปเห็นขี้หมาก็เห็นเนาะเห็นก่อนดูก่อนแต่ว่าความเป็นผู้เป็นก็คือรังเกียดมันใช่ไหยรังเกียดมันแต่จริงๆพื้นที่เราเหยียบก็ขี้ใสเดือนขี้ ตะขกตะเข็บระยะยะๆไปหมดก็เราไม่เห็นเนาะเราก็ไม่รังเกียจใช่ไหมเราก็เหยียบลงไปขี้ดินเนาะก็เลี้ยกว่าขี้ดินเนาะมันก็ขี้ไ อ, ไอ้นุ่นไอ้นี่ยอะๆไปหมดอะไรยเงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราลองแยกแๆกันนะมันมีการดูกับการเป็นไปพร้อมๆกันตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นอ๋อเราดูอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง พอเราแยกออกระหว่างการดูกับการเป็นตรงนี้มันก็จะทำให้เราได้ค่อยๆแยกแยะออกอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกายเนาะเป็นเรื่องของการดูแต่ส่วนเรื่องของการเปน็นมันเป็นเรื่องของความชอบความชังมันเป็นเรื่องที่เราเหมือนกับติดนิสัยมาก็เป็นเรื่องที่มันก็ทำให้เราทุกข์เราสุขตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดูเห็นเหมือนกัน แต่ว่าพอเป็นเนี่ยมันทุกข์มันสุขไม่เหมือนกันบางคนไม่ทุกข์ก็นั่นก็เป็นเรื่องบุญของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์ของใครมันก็เป็นเรื่องที่ว่ากรรมของเขาตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าบุญหรือกรรมมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราทำเอาอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เคยหัดเนาะก็เรียกว่าเคยปล่อยให้มันเป็นไปตามใจอยากอันนั้นเาก็เรียกว่าปล่อยไปตามเวนตามกรรม พอเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเรียกว่าเราก็ต้องรับกรรมตรงนั้นไปทุกไปเองตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์พุทธเจ้าเองเนี่ยก็แยกแยะให้พวกเราตรงนี้แหละเนาะเราจะปล่อยให้ชีวิตเราไปตามบุญตามกรรมหรือเปล่าหรือว่าเราจะจัดการชีวิตเราใหม่ตรงเนี้ยการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไปพม่าม า, มาสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือ เห็นล่องลอยของพุทธเจ้าเนาะแบบอัลังการมากๆคำว่าอลังการมากๆนะก็เป็นทั้งรูปที่เห็นเนะะาะพม่าก็จะมีก็เรียกว่าเป็นเมืองทองคำเนาะคำว่าเมืองทองคําก็จะมีเมืองทองคําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือศาสนะสถานเนี่ยที่เป็นสถานที่สําคัญสําคัญที่ผู้คนไป ไปเขเรียกว่าไปกราบเนาะเขาจะปิดเขาเรียกว่าปิดแผ่นทองคำเปลเวกันเนี่ยทองคำจริงๆเหลืองอลามเห็นแต่ไกลสะท้อนแสงโอ้แบบเรียกว่าเห็นเห็นกันแบบเห็นกันจนงงแล้วก็ศาสนาสถานของก็แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันจะใหญ่จนเรานึกไม่ค่อยออกนะว่า ไอ้ที่เล็กไอ้ที่มันมันสับสนระหว่างความใหญ่กับความเล็กเนี่ยนะอย่างมีองค์พระเนาะองค์พระของเขาก็จะสูงสักสี่เมตรกว้างสักสาเมตรก็ก็เกือบเกือบเกือบเกือบเสาอย่างเงี้ยนะสูงขึ้นไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะแต่พาะความที่มันมีบริบทมีผู้คนที่มากมายเนี่ยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มันก็ทำให้ ของใหญ่ๆก็ดูเล็กเนะเพระาะว่าผู้คนที่เข้าไปเยอะๆพอเรามองผู้คนที่เข้าไปเป็นใครกันบ้างอะไรเงี้ยพวกเราชาวต่างชาติก็เป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านชาวบ้านชาวช่องชาวพมา่าเขาไปเขาเรียกว่าไปน้ำมาศการาศานะสนสถานทั้งหลายแหลไปนั่งปฏิบัติธรรมกันไปเดินเที่ยวกันอุ้มลูกจุงหลานเยอะแยะไปหมดอย่าง บางที่ก็ต้องเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้ที่จะไหลกระทบไหลเพราะว่ามันไม่มีทางจะเลี่ยงกันขนหลามไหลไปหมดอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นยิ่งมันเสาวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะโอ้โหแบบเรียกว่าไปไปเขาเรียกว่าเหมือนไปกินไปนอนกันนะฮะไม่ใช่เหมือนอะ่ะใช่อย่างนั้นแหละก็ไปกินไปนอนกันถึงเวลากลางคืนก็จะไปฮะก็เ า, าเรียกว่า ปพระหมนอนกันก็เป็นอย่างนั้นกันเราดูเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วเราก็ฟังเนาะเราก็ฟังเขาก็บอกบอกว่าพระพุทธรูปองนี้ก็สองพปีเจดีย์อันนี้ก็สองพกว่าปีอะไรต่างๆนานามีภุกมีแผ่น ด, ดินไหวเจดีย์หักบ้างกับบุรณะกันใหม่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไฟไหม้บ้างกับบุรณะกันใหม่อะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ย ปรากฏว่าเรื่องรลวที่เราได้ฟังได้ฟังมาปรากฏว่าเรามาพิจารณาว่าตรงนี้เนี่ยาศาสนะสถานต่า ง, า ง, างๆนานาเหล่านี้นี่สร้างมาตั้งแต่หลังพุทธกาลน่ะไม่นานนะบางทีก็หลังพุทธกาลเพียงแค่200ปีคำว่า200ปีนี่ก็ถึงวันนี้ก็2 0 0พันกว่าปีนะ เราก็ไม่รู้ละไม่ไม่ไม่ไปนั่งหาตัวเลขที่ชัดเจนว่ามันจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าโอ้สองพันกว่าปีแล้วยังคงเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณจนปัจจุบันมันจะต่างจากอินเดียหน่อยหนึ่งนะตรงที่ว่าอินเดียเนี่ยเขาก็ไปขุดค้นกันใหม่บูรณะกันใหม่เมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาแต่ว่าที่พ ม, ม่าเนี่ยตั้งแต่แบบเรียกว่าสองพ่อค้ามอนเนาะ เจอพุทธเจ้าหลังที่หลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่ได้ไปเทศปโปรดปัจจวคีเนาะแต่ว่าในระหว่างการเดินทางที่พุทธเจ้าเดินทางไปไปจะไปหาปจัจจวคีเนี่ยปรากฏว่าก็มีสองพ่อค้ามอนนะก็ไปเจอพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าได้เห็นความสงบสำรวมที่ผิดตาไป ตรงเนี้ยก็เห็นจากอะไรเห็นจากกันที่พระเจ้าเองก็ได้ฝึกตัวเองเนาะฝึกตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสองพ่อค้ามอญก็เห็นว่าอู้คนเนี้ยนะดูน่านับถือจังเลยเนาะอย่างนั้นก็เลยถวายถวายจําไม่ได้ว่าถวายอะไรจะถวายอาศัศนะหรือถวายอาหารก็ใจว่ามีทั้งอศัศนะทั้งอาหารนะเพราะ ว, าว่าเป็นสองพ่อค้ามอญก็ปรากฏว่าในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าพระเจ้าก็ ประทานเส้นผมให้8เส้นเนาะอย่างนั้นก็ก็เราก็ได้เห็นเนาะเส้นผม8เส้นตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเอาใส่หลอดแก้วประมาณนิ้วก้อยตรงนี้ฮะเอาไว้นะฮะก็มีเส้นผมเส้นหนึ่งอยู่ข้างในแล้วเขาก็มีแว่นขยายให้เราได้เห็นนะเราก็ไม่รู้ละจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ละนะแต่ว่า เราเองเราก็ได้ยินประวัติศาสตร์มาอย่างนั้นจะเมื่แล้วเราเองเราก็ได้เห็นมาอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ความเชื่อของเราหรือความสงสัยของเราจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยตรงเนี้ยนะก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้เห็นว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่หลามไหลามามาสักการะเนาะมาสักการะพระาธาตุบ้างมาสักการะพระเกศาบ้างเนี่ยตรงเนี้ยก็เยอะแยะไปหมดเนาะตรงนั้น ก็มันก็ทำให้เราเนี่ยก็หมดสงสัยนะว่าจริงหรือปลอมเพราะบ้านนั่นคือตรงนี้เนี่ยผู้คนเยอะแยะไปหมดนะฮะที่เข้ามากันเขาก็คงไม่เ็าเรียกว่าไม่เออไม่ไม่ได้เชื่อผิดผิดเพราะมั่นใจว่าประเทศพ ม, ม่าก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศหนึ่งเป็นประเทศเดียวเนาะ ที่เหมือนกับศาสนาะสถานทั้งหลายแหล่ตรงนี้เนี่ยได้มีการก่อสร้างกันตั้งแต่ยุคสมัยนู้นนะแล้วก็พัฒนาต่อมาจนกระทั่งเป็นยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปร่างนี้ตั้งแต่ก่อนแต่ว่าก็มีการบูรณะให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นตลอดมาอย่างไปอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นจังหวัดพูการเนาะจังหวัดพูการเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพราะว่า ขนาดก็ประมาณสักส10เท่า10เท่าของพุทธมนตน10เท่าของพุทธมนตนเนาะพวกเราก็อาจจะถ้าเป็นตัวเลขก็จะบอกว่าประมาณทั้40ตารางกิโลเมตร40ิตารางกิโลเมตรก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปก็เป็นพื้นที่ที่มีซากเจดียนะ์เนาะเข้านับกันไม่ใช่เรานับนะ ได้หมื่นสามพันกว่าองค์เจดีย์แต่ว่าที่เราเห็นเห็นที่ดูสมบูรณ์แบบเนาะสมบูรณ์แบบในที่นี้มันไม่ใช่เหมือนกับอยุธยาที่เราเห็นเป็นสร้างปลักพังอะเนาะประมาณสักสี่พันห้าร้อยกว่าองค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อู๋เยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปหมดเลยเนาะแล้วก็พวกพวกเจดีย์พวกนี้ก็เป็นเจดีย์ที่อยู่ในสภาพที่ ดีดีมาเป็นเวลาแบบอย่างน้อยที่สุดก็พันกว่าปีเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างของเขาเนี่ยก็เป็นการสร้างที่ประนีตเนาะประณีตขนาดที่เขามีเรื่องเล่ากันว่าถ้าเกิดว่าคนก่อสร้างเนี่ยอั น, นอันนี้หมายถึงว่าหนึ่งอันนะไม่ใช่ทุกอันหนึ่งอันเนี่ยถ้าคนก่อสร้างเนี่ยเียงอิดเนี่ยไม่สนิทเนี่ยต้องเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะตัดมือ ดูโหดๆนะแต่ว่าหมายถึงว่าก็อาจจะเป็นคำบอกเล่าที่มันอาจจะเพี้ยนบ้างผิดบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือโอ้โหแบบเรียกว่าอิฐเขาเลียงกันแบบแบบเนี้ยบมากเลยจนกระทั่งว่าคือเรียกว่าแผ่นดินไหวก็ไม่มีปัญหาอีกหลายอันที่พังไปอาจจะเกือบหมื่นอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าก่อสร้างไม่ดีเนาะแต่ว่าที่ก่อสร้างดีเนี่ยฮะ เรียกว่าเรียบเรียบจนแบบว่าเรานึกไม่ถึงว่าโอ้ก็ทากันได้ยังไงแต่ว่าตรงนั้นก็คือมันก็เป็นร่องรอยของการทำดีตั้งแต่ยุคก่อนนะมันก็ทำให้คนเรายุคนี้ก็ได้เห็นตรงนี้ก็แต่ว่าวันนี้ศาสนาสถานพวกนั้นก็เป็นศาสนาสถานที่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลกับการเดินทาง แล้วก็ถนนในพม่าก็เป็นถนนที่เขาก็พอมีพอใช้กันเนาะไม่ได้เอาสวยเอางามอะไรเป็นถนนดินเนาะแล้วก็ประมาณ 50% ์ที่เราไปเนี่ยฮะเป็นถนนดินแล้วก็จะไม่กว้างมากก็ประมาณรถสองคันสวนกันอย่างเนี้ยนะฮะอย่างนั้นแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็น ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ๆญอะไรต่างๆนานาเหล่านี้สภาพธรรมชาติก็ยังเห็นชัดเจนในในจังหวัดพูการเนเห็นสิ่งที่เหมือนกับย้อนอดีตไปสัก3าิปีก็คือหมู่ต้นตาลเนี่ยจะเยอะแบบเรียกว่าเยอะมากๆเลยฮะเยอะจนแบบเรานึกถึงสมัยก่อนที่แถวแถวเพชรบุรีนะแถวแถวลาดบุรีเนี่ยจะมีต้นตาลมากๆอย่างนั้น ก็เหมือนเหๆ ก, กันกับบ้านเราพม่ากับบ้านเราอาหารการกินอากาศอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ต่างก็อากาศนี้เทียบเทียบก็คือเทียบกับสุคโตนี่แหละอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นนะศาสนาสถานที่ใช้แล้วเนาะไม่ได้ใช้แล้วที่กําลังใช้อยู่ที่ใช้ต่อเนื่องกันมาตลอดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือ เห็นฝีมือเนาะเห็นฝีมือฝีมือที่พวกเขาเองหัดกันตั้งแต่แบบเรียกว่าหัดกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงเห็นกันมาก็หัดกันตามปู่ย่าตายายกันมาก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ามีฝีมือติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอะอย่างนั้นเนาะเนั้นก็มันก็คล้ายๆกับอย่างพวกเราเนาะอย่างพวกเราบางคนก็เหมือนกับ มีความชํานาญอะไรบางอย่างมีบุ ค, คลิกอะไรบางอย่างที่เหมือนกับติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดคนนี้ทํากับข้าวเกง่งคนนี้ทํางานช่างเกง่งคนนี้ทำไอ้นู่นไอ้นี่เกง่งอะไรต่ตางๆนานาเหล่านี้บางคนปลูกของลูกออกจะไปฮะได้ลูกได้ผลเยอะๆยะยะไปหมดอะไรเงี้ยนะบางคนก็ทําไม่ได้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยก็เหมือนๆกันเราก็เห็นภาพแบบนี้แต่ว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่าเนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราได้เห็นเนาะล่องรอยของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกรรมดีเนาะเราเห็นล่องรอยของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมทำแต่งเราได้เห็นล่องรอยของศาสนาผ่านเรื่องราวต่างๆนานาเหล่าน re ี้เนี่ยก็ได้เห็นเนาะก็เรียกว่าได้เห็นสิ่งที่เป็นอดีตได้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้เห็นสิ่งที่เป็นเรื่องของการฝึกฝน เรื่องหนึ่งที่เด่นมากๆเลยในพม่า ก, ก็คือเราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปในเในสภาพของการซื้อตัว๋วบริษัททัวร์ไปเที่ยวเนาะแต่ว่าเราไปกันเองสิ่งที่ตั้งใจกันก็คือตั้งใจจะเข้าไปพักในวัดเข้าไปพักในวัดเราก็ได้เข้าไปในวัดแต่ละวัดแต่ละวัดที่เราเข้าไปก็บางเอิญบางเอิญเป็นวัดที่เหมือนกับเป็นวัดเด่นๆเนาะ ในพื้นที่นั้นๆอย่างที่อย่างที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็เป็นวัดที่เราได้เห็นวัดวัดหนึ่งอาจจะมีพระเนเนาะอยู่เป็น500รอูปอย่างเงี้ยเนาะบางวัดก็เป็นวัดประจาพื้นที่เล็กๆ ก, ก็มีพระเนเนอยู่7 0 80ดิบอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ก็เยอะนะเยอะมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือการที่ ผู้คนที่เข้ามาบวชเนี่ยจะเข้ามาบวชกันตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนกับจบประหกปุ๊บก็เข้าวัดกันตรงนี้ที่ไหนที่มีวัดนะตรงนั้นโรงเรียนก็จะน้อยลงมีที่หนึ่งที่มันดาเลมันดาเลพวกเราก็อาจจะเคยได้ยินชื่อกันอยู่เนาะปรากฏว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพระมากที่สุดในในประเทศพมา่า จังหวัดนั้นก็ดูเหมือนจะมีพระประมาณสักแสนสองหม0่รูปนะหนึ่งจังหวัดนะฮะมีพระสักแสนสองหมื่รูปแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือในพื้นที่ที่เราบังเอิญเข้าไปพักเนี่ยก็เข้าไปตามคำแนะนำของก็เรียกว่ า, านังสือท่องเที่ยวที่เขาบันทึกเอาไว้นะก็เราก็มีที่หมายชัดเจนว่าเราจะไปวัดไหนวัดไหน ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงจริงๆนะ่ะเราเห็นตั้งแต่เรานั่งรถไฟไปแล้วฮะตอนแรกก็นับนะโอ้ตรงนี้นี่ทําไมมีวัดต่อกับวัดมากอย่างนี้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดไม่มีบ้านคนขั้นนะฮะเอานี่เอาหมดไปเดี๋ยวอีกที่หนึ่งเอาหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาตรงนี้วัดต่อกันขนาดนี้เลยแหละ ว, วัดต่อวัดวัดต่อวัดวัดต่อวัดอย่างเงี้ยปรากฏว่านับไปนับมาขี้เกียจเลิกนับ เพราะว่ามันเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยพอไปถึงพอไปถึงที่เราพักจริงๆเนี่ยก็บังเอิญที่สุดนะว่าเราก็เสสัง่งเรียกว่าเสดสั่งกข้ไปเพราะว่าก็ลานตาไปหมดไม่รู้วัดไหนวัดไหนก็ปรากฏว่าก็ถามผู้คนเขาว่าวัดที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนเข ก, ก็ชี้ให้แล้วเราก็เดินเข้าไปก็ปรากฏว่าก็ถามเขานะบอกจะขอพักได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ได้ยิน ไม่ใช่ได้ยินอะ่ะเห็นเราเห็นเราเขาก็รู้ว่าเราเป็นพระไทยเนาะเพระพระไทยก็จะมีลักษณะพิเศษจากพระพมา่านุ่งหม่มหรือว่าการกนคิ้วที่ต่างกับพระพระมา่าอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเราก็ไปเจอวัดที่มีคนไทยมีพระไทยอยู่โดยโดยนึกไม่ถึงนะปรากฏว่าพ่อก็เห็นเราเขาก็กุลีกุจอมากๆากนะฮะไม่ใช่กุลีกุจอเพราะว่าเราเป็นคนไทยแต่ว่า เขากุลีกุจอเพราะว่าเราเป็นคนต่างถิ่นนะ อ, นนอันนี้ดูจากภาพรว ม, มนะฮะดูจากภาพรวมรวมๆกันหลายๆวันเนี่ยปรากฏว่าทุกที่เขาก็ต้อนรับเราดีเหมือนกันแล้วก็ดีอย่างยิ่งทุกที่เลยแต่ที่นี้ก็เป็นที่แรกที่เหมือนกับว่าเราเข้าวัดนะปรากฏว่าเราก็ไปเจอมีพระไทยแล้วก็ได้ข้อมูลจากพระไทยรูปนั้นเนี่ยพระอาจารย์รูปนั้นว่าในตาบลที่ ที่เราพักตรงนั้นนะ่ะตําบลเนานะมีพระเนนอยู่8ปด0 0ื่นูปวัดนี่นับจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าวัดที่ตรงข้ามกับรั้ววัดเนี้ยนะซึ่งห่างกันก็เท่ากับเสานี้ต่อเสานี้เนี่ยเท่านั้นเองเนี่ยนะมีพระอยู่สามพันลูปพระเนนอยู่สามพันลูปโอ้แบบว่าเรียกว่ามีจํานวนพระเนนมากกันขนาด น, นี้แล้วก็ พระเนนที่อยู่กันเนี่ยก็คืออยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นสํานักเรียนทุกที่ทุกที่ทุกที่ก็จะเป็นสํานักเรียนมีครูบาอาจารย์ของตัวเองบ้างเป็นส่วนใหญ่แต่อาจจะไม่มีครูบาอาจารย์ของตัวเองบ้างก็เป็นส่วนน้อยนะอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรียนเรื่องเดียวกันก็คือเรียนเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็เรียนผ่านภาษาบาลีปรากฏว่าก็ไม่ใช่ภาษาของเขานะเด็กๆเล็กๆเนี่ย เด็กๆเล็กๆอายุ11บเขวบเนี่ยเนาก็ต้องเรียนละภาษาบาลีภาษาบาลีก็คงจะยากอยู่นะว่าปรากฏว่าเราก็จะเห็นเด็กเนี่ยก็ท่องนะท่องภาษาบาลีท่องกันเรานอนแล้วเนาะสามทุ่มแล้วเขาก็ยังไม่เลิกท่องกันบางวันเรานอนช้ากว่านั้นก็เราก็รู้ว่าอุ้ที่นี่ส่วนใหญ่วัดเนี่ยจะนอนกันประมาณสามทุ่มครึง่งเาก็จะตีละคังกันแล้วก็พวก เนนพวกเนนพวกพระที่ยังเป็นนักเรียนกันอยู่ก็จะจะนอนเงินเข้านอนเงินปรากฏว่าวัดที่อยู่ตรงข้ามเราใกล้ๆที่มีคนสามพันเนี่ยกับกุติอีกวัดหนึ่งที่เราอยู่ใกล้ๆล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ ท, ที่อึกระทึกคลึกโคลนเนาะเช้าขึ้นก็ได้ยินเสียงะระฆังปลุกเนาะก็ใกล้เหมือนกับอยู่ใกล้หูก็เรียกว่า อาศัยระกงบ้านเขาก็ปลูกบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยปลูกเราเราก็ไม่ต้องอาศัยนาฬิกงนาฬิกาอะไรปรกากฏว่าพอหลังจากเสียงะระังเนี่ยเราเราเงี้ยเงยหูฟังดูว่ามีเสียงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะประกากฏว่ายิ่งเงียบมากนะฮะเงียบเงียบเหมือนคนไม่ตื่นอะ่ะอย่างเงี้ยนะแต่ปรกากฏว่านั่นก็เขาก็มีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวัดเราก็มีกิจกรรมต่างๆมีการเคลื่อนตัวไปห้องน้ําห้องถ่าแปลงโฟงแปลงฟันก็เรื่องปกตินะ จนกระทั่งถึงธรรมัดสวดมนอย่างเงี้ยเงียบเียบฮะเงียบเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าพอเวลาที่เราตื่นแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นแบบว่าเราออกมาข้างนอกไม่ใช้ตื่นแล้วเราก็จะเห็นพวกลูกเนนเตรียมตัวไปบินธรมพัดหลังจากที่ธรรมัดก็จะบินธรรมพัดกันประมาณ6กโมงนะก็เห็นลูกเนนก็เล่นกันมั่งหยอกล้อกันมั่งสนุกสนานเหมือนนกน้อยเนาะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงเออาอครมครามอะไรนะฮะอย่างเงี้ย พอเนรกลับมาจากบินทบาศประมาณสักแปดโมงแปดโมงกว่าก็ล้างบาตเนาะก็เล่นกันก็สดชื่นลื่นเริงนั่นเราเห็นเราก็พลอยสดชื่นไปด้วยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเขาก็อยู่ในขอบเขตไม่เอะอะโวยวายแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือมีความสงบสํารวมอยู่ในนั้นสวยงามนะฮะตรงเนี้ยเราก็มองเห็นนะโอ้นี่นะเด็กตั้งแต่อายุสิอนะเขาถูกฝึกกัน แล้วก็ปรากฏว่าก็มีเนรนะที่มาต้อนรับพวกเราเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยพอเวลาที่เราเป็นคนไทยไปเนี่ยพอมีวัดมีผู้คนให้เลือกประมาณสักห้าร้อยคนเนี่ยเขาก็จะเลือกนะหนึ่งก็คือมีคนพูดไทยได้ไหมมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรเงี้ยก็เราก็จะค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยเห็นการทยอยมาของผู้คนที่มาดูแลพวกเราเนี่ย ก็ปรากฏว่าก็มีเนนอายุ15เป็นชาวไทยใหญ่พูดไทยได้เคยอยู่แม่สายไม่ใช่ไม่ใช่เคยอยู่แม่สายเคยอยู่ท่าขี้เหล็กที่ตรงข้ามแม่สายนะฮะอย่างนั้นก็ปรากฏว่าโอ้เราดูเขาเนะดูการพูดกันจาของเขาเนาะก็เป็นเด็กเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่พอเวลาที่เราฟังเขาเล่าเนาะก็เขาเองเขาเพิ่งมาบวช มาบวชที่นี่นะมาบวชที่พมา่าเนี่ยได้สองปีก่อนหน้านี้เขาบวชที่ท่าขี้เหล็กที่เป็นบวชบวชแล้วก็เนื่องจากติดไทยถนะ้าท่าขี้เหล็กก็จะเหมือนกับมีความเป็นไทยอยู่ตรงนั้นเยอะสวดมนต์แบบไทยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ <c oughs> เขาก็บอกบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นวัยรุ่นอยู่นะแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นเขาน่านับถือมากเลยและเขาก็พาพวกเราไปไหนมาไหน ดูการนุ่งห่มจีวรดูการพูดกันจาดูการที่เขาปฏิสันถานกับผู้คนดูอะไรต่าง น, นานาเหล่านี้แล้วโอ้แบบเรียกว่าดูเป็นผู้ทรงภูมินะดูแบบว่าเออนี่นาะคนเราเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้นะมีความเขาเองเขาก็แบบเรียกว่าในวัดในในพื้นที่ที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบหลวมๆนะจะว่าหลวมหรือเปล่าเนาะมันก็เป็นระเบียบที่เราฟังแล้วก็ง่ายนะ ทะเลาะ ก, กันเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องรอเจ้าอาวาสนะไปเลย <c oughs> อย่างเงี้ยหรือว่าอืมถ้าเกิดว่าแบบไปนอกวัดโดยที่ไม่ขออนุญาตก็ไปเลยไม่ต้องขอไม่ต้องก็เรียกว่าไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องกราบลาเจ้าอาวาสอนะีกอย่างเงี้ยเขาก็มีเหมือนกับมีคําบอกเล่ามีคําอืมีระเบียบเนี่ยแค่แค่เนี้ยนะแต่มาปรกากฏว่าเราก็มองเห็น สิ่งที่พวกเขาอยู่กันก็มไม่ใช่เป็นเรื่องของความอึดอัดใจที่จะอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่ามีบางส่วนเนาะที่อยู่ได้บางส่วนที่อยู่ไม่ได้แต่เราก็มองเห็นนะว่าส่วนที่อยู่ได้เนี่ยเยอะแล้วก็ปรกากฏว่าสิ่งที่สำคัญก็คือภาษาบาลีที่พวกเขาเรียนกันเนี่ยเราก็ถามพระรูปหนึ่งที่มาดูแลเราเนาะบอกท่านได้บาลีชั้นสูงสุดของเขาเขาเรียกชั้น5เนาะของเราก็อาจจะเป็นปรเรียน9เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ ท่านก็บอกบอกว่าท่านเนี่ยได้ตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็เลยก็เลยถามท่านบอกว่าแล้วคนที่เรียนบาลีจบอย่างท่านเนี่ยมีเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะบอกโอ้เยอะแยะเลยคือนี่เรามองเห็นนะอย่างปะเรียนก้าวบ้านเราเนาะถ้านเนนคนไหนจบเนี่ยก็เรียกว่าต้องได้รับในหลวงพระราชทานการบทให้อะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้ น, ะ น, นแต่ว่าของเขาเนี่ยก็สมเนาะเพราะว่า ในขณะที่เดินบินธบาตกันเนี่ยพวกเราก็ร่วมบินธบาตกับเขาด้วยวันหนึ่งก็สายนึงก็มีร้อยกว่ารูปบ้างอะไรอยงี้นะเดินกันไปไม่มีคนใส่ถึงร้อยคนแล้วฮะแต่ว่านั่นคือก็มีการเดินสายบินธบาตกันเป็นธรรมเนียมเนาะมานักบวชก็ต้องบินธบาตกันปรากฏว่าเนนหลังๆเนี่ยฮะเนนเล็กๆเนี่ยก็จะอ่านหนังสือไปด้วย อ่านหนังสือก็คืออ่านหนังสือเรียนนะอย่างเนี้ยไปก็ในขณะที่ไม่ได้เปิดบานในขณะที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องรับอาหารเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือกันไปเนีเราก็เห็นวัดปฏิบัติที่เขาฝึกฝนตัวเองแบบเนี้ยเนาะปรากฏว่ า, าพวกเขามีความรู้บาลีกันดีมากๆจนกระทั่งเรียกว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีได้สื่อสารกันเป็นภาษาบาลีได้ฟังพวกเราที่เป็นภาษาไทยเนี่ยได้บ้างว่าเนื่องจากว่า มีหาักฐานของภาษาบาลีเหมือนกันตรงนี้เราก็มองเห็นว่าเออนะแบบว่าอา น, นิสงของการฝึกตัวเองเนาะแบบว่าเรียกว่าฝึกตัวเองอย่างภาคเพียรหรือเป็นประจำตื่นนอนตรงเวลาทุกวันเนาะบางคนก็บางวันก็อาจจะตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างล้วก็พอมองเห็นนะฮะก็มีบางเดนบ า, บางคนก็ไม่ตื่นแต่ถ้าไม่ตื่นเนี่ยทางวัด ก, ก็มีวิธีการจัดการนะฮะก็เหมือนกับ คล้ายๆว่าก็มีงานต่า ง, า ง, างๆนานาที่จะต้องรองรับคนเป็นหลายๆร้ยอยในอยู่ในวัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือเขาจะต้องมีการให้เน้นที่ไม่ได้ตื่นไปทำวัดเนี่ย ไ, ไม่ได้ตื่นไปบินธมาศไม่ได้ตื่นมาทำวัดเนี่ยก็ทํำอย่างอื่นแทนก็ในการบินธมาศมีการเช็คชื่อด้วยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีพระที่เป็นพระอาจารย์เนี่ยคอยเช็คชื่อคอย ด, อยดูอะไรต่างๆน า, านาเล่านี้ก็ แต่ว่าสิ่งต่างๆนานานเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรามองแล้วเป็นเรื่องเข้มงวดดุดัดนเพราะก็ไม่เห็นมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศพมา่าแล้วไม่เห็นเลยก็คือไม่เห็นคนใช้อารมณ์โมโหไม่เห็นคนดุ ก, กันว่ากันไม่เห็นไม่เห็นภาพแบบนี้นะฮะอย่างนั้นไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจนกระทั่งพอเวลาที่กลับมาที่ประเทศไทยเนี่ย ก็พอดีกลับมาอยู่ตรงเวลาเพนพอดีเนาะก็ไปอาศัยร้านอาหารที่อยู่ในสนามบินน่ยแต่ว่าเป็นร้านอาหารสวัสดิการที่ขายกับพนักงานเนาะประกากฏว่าพอทิดพิชัยเนาะสั่งอาหารให้พวกเราเนี่ยก็ทิดวิชัยก็สั่งของที่เขาไม่มีอะประกากฏว่าพอสั่งของที่เขาไม่มีปุ๊บเนี่ยแม่ค้าตะบาดแมด เราแบบว่าโอ้เราไม่ได้ยินเสียงแบบนี้นี่มานานมากแล้วนะพม่าเนึ่งจากว่าที่ที่พม่าไม่มีจริงๆแล้วก็เรามองเห็นผู้คนที่เขานึกย้อนไปผู้คนที่เข้ามาต้อนรับเราเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้คนที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเรานึกย้อนไปถึงสิ่งต่างๆนานาที่เราผ่านเนาะ ไม่ได้ินเสียงคนทะเลาะกันไม่เห็นคนตีกันแล้วก็เห็นคนสงบสํารวมดียิ้มยิ้มแจ่มใสยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เราเข้าไปพักเนี่ยโอ้โหก็ให้เกียรติเราอย่างที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าพมา่าเป็นศัตรู ข, ของไทยเนี่ยลบไปได้เลยครลบไปได้เลยเพราะเนื่องจากว่าเขาอไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอาการที่รังเกียจเราสักนิดนึงแล้วก็อย่างที่ว่าว่าเขาต้อนรับเราเนี่ยอย่างดียิ่งยิ่งมีวัดหนึ่งนะครับ เราก็าไปปุ๊บเนี่ยเราเจอพระรูปหนึ่งที่ท่านจบป ร, ป ร, ริญญาเก้าเนาะโดยที่เราไม่รู้นะท่านพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าหลังจากจบป ร, ริญญาเก้าแล้วเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เรียนอย่างอื่นถ้าหากยังไม่จบป ร, ริญญาเก้าเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์เรียนอย่างอื่นอะไรเงี้ยเรียนอย่างอื่นใหมายถึงเรียนภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยนะท่านก็พูดภาษาอังกฤษกับเราได้นิดหน่อยก็ไปถึงเจ้าอาวาสนะพอเราบอกขอบพระเจ้าอาวาสกับพนักนาพญานาคทันทีแล้วก็บอกว่าให้พาเรามาที่พักเลย ปรากฏว่าในขณะที่เรากำลังทำความสะอาดที่พักอยู่เพราะที่พักเป็นห้องใหญ่ที่เขาจะเป็นห้องที่เหมือนกับสำหรับแขกพิเศษอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าก็มีคำสั่งใหม่นะให้เราย้ายที่นะก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปอีกที่หนึ่งดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็เอาไปถึงที่ใหม่ก็ทำความสะอาดกันอยู่ปรากฏว่าในขณะที่เราไปที่ใหม่ก็มี ลามเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะฮะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะสื่อสารกันได้มากขึ้นกว่าเดิมกําลังทำความสะอาดอยู่ทำความสอาดอยู่ก็มีมีเนนที่พูดภาษาไทยได้มาเติมกันอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราดูว่าตรงเนี้ยทาไมถึงได้เริ่มมีคนเข้ามาต่างๆนานาเหล่านี้เราก็มองถึงฉากเบื้องหลังเนะาะเจ้าอาวาสหลังจากพนักหน้ากับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงสั่งทันทีนะบอกว่า ใครพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยหามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นในคนห้าร้อยคนเนี่ยนะอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าใครพูดภาษาไทยได้เนี่ยหามาด้วยอะไรต่างนานาเหลือเนี้ยเราก็มองเห็นว่าเขาคงทํางานกันแบบนี้ว่าต้อนรับเราก่อนอะไรยังไงก็ตามยอะไรเงี้ยนะยินดีต้อนรับเราไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆหาท้ายที่สุดที่วัดนี้เนี่ยฮะเราจะไปไหนมาไหนก็ยังยกรถให้เราด้วยนะมีคนขับให้เราอีกต่างหากอะไรเงี้ย โอ้ทุกท like ี่นะฮะแบบว่าอาหารเช้าเนี่ยเขาก็ให้เรานั่งโต๊ะเดียวกับเจ้าอาวาสไม่ได้ถามเรานะฮะว่าเราจะมีพันสากี่พัรสาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไม่มีนะแต่เขาให้เกียรติเราเนาะว่าจะมีเนนมาคอยดูแลก็เหมือนกับเดนดูแลพระปกติเนาะแต่ว่านั่นคือทุกคนเขาก็แบบยินดีต้อนรับเราจะไปที่ไหนมาไหนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นภาพเนาะภาพของพม่า ภาพของเมืองพุทธเนาะที่คนก็มีก็เรียกว่ามีการกล่อมเกล่านะขอให้ก็เรียกว่าการปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายเนาะจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินมันก็เป็นเรื่องที่เราได้เห็นจริงๆว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำบอกคำเล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นการกล่อมกล่าวต่างๆนานาเหล่านี้หรือว่าพระเนรเนี่ยที่บอกว่าขอให้พรหมจรรย์นี้ของเราทั้งหลายมันก็จะต่างกันโยมหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเนนก็จะรักษาพรหมจรรย์เหมือนกับพวกเราอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่เป็นพระก็ต้องมีข้อวัดที่ต่างกันไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาษาที่ออกมาแต่ว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการกล่อมเกล่าเกิดจากการพยายามจริงๆ แล้วก็ตรงนี้เราก็มองว่าอืชีวิตของพวกเขาเหมือนกับประเทศนี้เนี่ยเป็นสังคมนิยมแต่คนไม่ทุกข์นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็บอกเล่ากันเนาะถึงผลของการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผลของการที่เมืองพุทธเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ไม่เคย <c oughs> เ็าเรียกว่าศาสนาพุทธไม่เคยลับตาไปตรงเนี้ยก็เราก็ได้มองเห็นผล ของตรงนี้จริงๆเราก็ได้เห็นผู้คนแบบนี้จริงๆเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ก็ขอให้พวกเราเนาะเพียรเนานะปฏิบัติกันแล้วก็ความไม่ทุกข์เนี่ยก็จะเป็นของพวกเราจริงๆเนาะพวกเราก็กราบพระพร้อมกัน